ตอนนี้ตีหนึ่งแล้วไม่เป็นไรครับคุณผู้ฟังแจ็คจัดให้มาอีกแล้วเลยเวลาไปต่ออีกหนึ่งเรื่องครับปิดท้ายกันที่พระเอกคนนี้ของเราครับสายของคุณคิงครับคุณคิงมาพร้อมกับเรื่องที่คุณคิงบอกว่าเป็นเรื่องที่ชอบมากๆเรื่องหนึ่งตั้งแต่ฟังเรื่องราวเหล่านี้มาครับใช้ชื่อเรื่องว่าผับนี้มีอดีตครับเดี๋ยวเรามาร่วมกันปิดท้าย The ะโกสเลเดอร์ของเราในค่ําคืนวันนี้กับสายของคุณคิงกัน ใครที่เป็นแฟนขับคุณคิงนะครับรอติดตามฟังเรื่องนี้เลยดูเหมือนว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณคิงนา่าจะได้รับการถ่ายทอดมาอีกทีหนึง่งและตอนนี้เราติดต่อกันได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องปิดท้ายกันในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณคิงครับสวัสดีครับพี่แจ๊โอ้โหคุณคิงครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ข่าวว่าป่วยครับก็มีนิดหน่อยแล้วผมก็ทํา ง, งานด้วยพี่โอ้นะครับยังไงอย่างที่บอกคุณคิงต้องรักษาสุขภาพนะ ครั บ, รบาแ<ฟ>านแฟนขับเยอะนะคุณคิงาอ่า <laughs> นะฮะคุณคิงตอนนี้โทรมาจากที่ไหนเนี่ยที่เดิมครับก็ปั้นพระนะจะเป็นพระองค์ใหม่ก็เลยปั้นอยู่กับบ้านอ๋อโอเคนะครับวันนี้ก็อาการที่ป่วยที่บอกว่าป่วยนี่ดีขึ้นแล้วก็ยังเหลือเกี่ยวกับตา<อ>ครับมันจะเ<อ>พราะว่าเราทํางานเนี่ยผมปั้นพระอยู่ที่แสงจ้าอันนั้นพ อ, อ แ, แสงจ้าจะจับเนี่ยแล้วพอเข้าตามากๆเนี่ย เราก็จะรู้สึกเหมือนมันฟ่าฟางไปตามอายุสังขารเขาเรียกว่าเรากําลังเข้าสู่โหมดวัยรุ่นวันเนี้ยผมเพิ่งรู้สึกตัวเองเลยว่าเฮ้ยผมสายตายาวแล้วผมมองใกล้ๆไม่เห็นแล้วผมต้องมองยาวๆแล้วนี่เข้าสู่โหมดวัยรุ่นเป็นตัวแล้วนะครับผมงั้นเราก็ต้องดูแลตัวเราเองให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่สุดนะฮะ ครับ <S 1> <S 1> <S 1> นะครับมาว่าถึงเรื่องนี้คุณคิงครับที่บอกว่าเป็นเรื่องของผับนี้มีอดีตเรื่องนี้เป็นเรื่องของใครอะไรยังไงฮะเป็นเรื่องของคุณจอบครับเป็นเรื่องที่ผมบอกไปแจ็คเลยว่าผมไม่รู้นะแต่โดยส่วนตัวผมว่าเดี๋ยวใครฟังเขาจะคิดยังไงผมไม่รู้แต่โดยส่วนตัวผมอ่ะผมว่าผมชอบเรื่องเนี้ยจริงป้าเ อ, อบมากด้วยเอเอน่าสนใจครับมาฮะเป็นยังไงครั บ, <S <S บเรื่อง <ผม S 2> ของผับที่ว่านี้คุณคิงเชอญเลยอ่าจะต้องขอบอกก่อนนะครับว่าพูดอะไรได้ไม่มากกว่า ภับนี้อยู่ากางกรุงเทพครับแล้วใครที่เคยไปก็ น, นึกเอาแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วตอนที่รู้สึกว่าคุณจ็อบจะบอกว่าปิดไปแล้วนะครปิดไปแล้วอื ม, อมปิดปแล้วแต่ก็ลักษณะการผมผมจะขออธิบายทางเข้าไปก่อนเพื่อที่จะได้นึกภาพตามได้นะครัทางเข้านี้ภับเนี้ยนะครับคือว่าทางเข้าเนี่ยจะเป็นลักษณะขึ้นไปบนกระไดชั้นสองครับพอขึ้นไปบนกระไดเสร็จปุ๊บเนี้ยทางซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำอ แ ล, ลแล้วก็จะเป็นร้านขายของครับแล้วก็เปิดประตูเข้าไปก็จะเป็นตัวผัดแล้วเข้าไปถึงก็จะเป็นเป็นเป็นบูธิีเกครับแล้วก็เลยบูธิเจไปตรงไปทางด้านหลังล้านก็จะเป็นห้องน้ำของผู้ชายครับแล้วทางฝั่งตรงข้ามห้องน้ำผู้ชายเนะี่ยจะมีประตูเล็กๆอยู่ประตูหนึ่งซึ่งถ้ามอง ไม่สังเกตเลยผมว่าสังเกตต่อให้สังเกตที่แต่อาจจะไม่คิดว่าเป็นมระตูหรื อ, อเพรา็ทําทำมเป็นเหมือนเป็นมระตูลับมากๆเลยนะอืมอันนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นประมาณสิบห้าปีได้แล้วรับเราบอกประมาณสิบห้าปีได้นะครับสิบห้าปีเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยคุณซับเขาอายุยังไม่ถึงยังไม่ถึงแต่ว่าก็ต้องอยอมรับว่าเป็นเรื่องของเชื้อสายคนเก่าที่เคยทํามาเป็นยาน่ากับเขาอื ม, อมจะอยากให้ฝากให้เขาทํางานเป็นเด็กรับ ก็เข้าไปทาในที่ที่เนี้ยลักษณะการเข้าไปทํางานเลยก็คือทํางานแี่ยสองทุ่อมแล้วร้านเขาเนี่ยจะเป็นร้านที่ผมไม่รู้นะ ว, ว่าจะด้วยวิธีอะไรแต่ว่าเขาจะปิดนู่นเลยเจ็ดแปดโมงเช้าเลยนะครับเจ็ดแปดโมงเช้าแล้วเขาเนี่ยก็คือเราจะต้องเลิกสยายๆไงทุกวันอืแต่เในกว่าจะเลิกเนี่ยเขาจะมีการดื่มคือเด็กอะสมัยก่อนก็จะมีการแอบดื่มกันมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นปกติครับก็ เรื่องงานก็จะไหลไปที่อือเวลาพักผ่อนเนี่ยจะน้อยมากเลยพอเวลาัขผ่อน้อยมากเนี่ยคุณจอเขาบอกว่าเที่ยวอยู่เนี้ยแล้วก็คบเพื่อนเพื่อนทุกคนในร้านเลยนะจนแบบว่าสนิทกันทุกคนแต่ยังไม่สนิทใจอะครมากามาก็ไปลองมาจานมีอยู่วันหนึ่งได้เริ่มรู้สึกว่าสนิทกับพี่คนนี้มากสุดอืดชื่อว่าพี่นพพอเ้าสนิทกันมาเนี่ยเขาก็เลยบึกร่างว่าเออพี่ผับเราเนี่ยนะ คือกว่าแขกจะมาเนี่ยมันก็ตีตีตีหนึ่งตีสองวันที่ตีสามไปแล้วอืเพราะว่าเขาบอกเลยว่าผับเขาเนี่ยจะเป็นผับที่คนจะไหลมาจากที่อื่น ค, คือที่อื่นเนี่ยเขาปิดตีสองตีสา ม, มแล้วก็จะมาลงเออชี้นเนี่ยแล้วก็เลิกเจ็ดแปดโมงเช้าเขาบอกว่าตั้งแต่สองทุ่ไปที่ร้านเปิดนะอ้มไม่มีคนเลยอืมไม่มีคนเลยจะประมาณตีหนึ่งตีสองเลถึงจะเลิกมีทยอยมาครับเขาก็จะอาศัยเวลาช่วงเนี้ยปรึกษาครับพี่น้องว่าพี่น้อง เรามาพักผ่อนกันดีกว่าได้ไหมคือผมเองก็เป็นเด็กใหม่อ่ะพี่อยู่ที่นี่มานานถ้าผมจะเสนออะไรที่สักอย่างหนึ่งอะแล้วพี่จะเห็นด้วยไหมเขาก็ถามว่าอะไรเรามองพักผ่อนกันในช่วงสองทุ่มเนี่ยเราไปไปนอนห้องนั้นกันไหมแค่ยี้ไป ต, ตรงใ น, นห้องที่ผมบอกว่ามันเป็นเหมือนห้องลับนะฮ ะ, ะประตูเล็กเล็กซึ่งใช่ซึ่งเดกเขาก็แบบเฮ้ยจะดีอะทําไมถึงพูดว่าจะดีล่ะเพราะว่าห้องนี้นะครับคุณจอห์นเขาบอกว่า เป็นห้องที่เขาสังเกตมานานแล้ว อ, อยู่มาตั้งหลายเดือนก็สังเกตว่าจะเป็นอย่างไยเดือนแต่เขาไม่เคยถามเลยนนะครับคือไม่ว่าจะเป็นคนไหนเด็กคนไหนแล้วแต่ที่ได้รับหน้าที่ในการเอาขวดเบียร์หรือว่าขวดเหล้าอะไรก็ได้เนี่ยซึ่งมันหมดแล้วมันเป็นขวดเปล่าแล้วเนี่ยเป็นลังหรืออะไรเนะี่ยเอาไปเก็บจะต้องไปเก็บที่ห้องเนี้ยออืแล้วข น, นดาดการเก็บที่ห้องนี้ของแต่ละคนก็คือโปุ๊บแลเอาเท้าขีดส่งเข้าไปเลยเขาไม่เข้าไปมองด้วยบางทีเปิดประตูโยนทุบแล้วก็รีบเปิดประตูแล้ววิ่งออกมาเลยครับเขาก็รี ไม่ทำนั่งกัน้อยบางทีก็ได้เสียงขวดแตกนะแต่เขาก็ไม่ได้มองอืไม่ได้หันไปมองเลยนะเขาก็เลยแบบแหนะี่ห้องนีกผมว่าไม่น่ามีใครสนใจเราเราเข้าไปนอนกันได้ไหมอ่ะและ้วพี่ก็เป็นเด็กเก่าวผมปรึกษาพี่เนะี่ยพี่วันแรกาบอกว่าพี่พี่นพเนี่ยเขาก็บอกว่าพี่วันแรก็ได้ป่ะเพราะว่ามันยังไม่มีใครเลยอี่ก็นั่งเล่นกันอะไรกันจนนู้นอาทิตหนึหน่งที่ย์สองเริ่มมีแขกไหลมาแต่ที่จะมีอะไรอย่างถ้าบอกกับจอปไปเนี่ยก็อปไม่ต้องทำตามพี่นะอืมเขาก็บอกว่าอะไรอ่ะ คี่เรามาสัญญากันก่อนว่าถ้าเราเข้าไปนอนในห้องเนี้ยออืไม่ว่าใครคนไในคนหนึ่งที่ตื่นแล้วจะออกจากห้องจะต้องเรียกอีกคนหนึ่งเราจะไม่ทิ้งกันครัุณจ๊อกเขาบอกเคยพี่มาขนาดนั้นเลยอะเอานี้เลยดีกว่าจ๊อบที่พูดตรงเลยร้านเราอ่ะมีผีนั่งไมเปิดประเด็นอย่างนี้เลยบ้าผมอยู่มาทั้งงานแล้วเนี่ยอไม่เห็นอะไรพวกนี้เลยเลยพี่หลายเดือนแล้วนะแล้วมันยิ่งมาพูดอย่างนี้นะ เอางี้เนี่ยเองสังเกตเลยห้องนั้นแ่ะทำไมเวลาใครเปิดแล้วมันต้องโยนของโยนอะไรอ่ะมันไม่เข้าไปวางเรียงในดีอ่ะและยังเชื่อไหมเนแต่พี่ขาอะไรเดี๋ยวเเปิดด้วยกันเนี่ยมันอยู่สภาพไหนก็ภาพนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปจัดของแม้แ่ท่านเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็ไม่กล้าบองคับ์เตเด็กเข้าไปเพราะเด็กไม่กล้าเข้าประวัติมันดังมากห้องนั้น่แหลมถ้ารองคาร์เตเด็กมันยอมออกอออืเราพูดอะไรก็แล้วมันจะได้พี่เราจะไปนอนได้อะได้เด็ก ถ้าเราไปกันสอคนแล้วเราออกมาพร้อมๆกันเราจะไม่กินกันแ่ะไม่ว่าจ็อบหรือพี่จะเข้าห้องน้ําสัญญากันเลยว่าต้องปลุกไปคนนึงไปด้วยออืเราอยู่ส่วนเราเขาอยู่ส่วนเขาด้วยออย่างเราสองคนก็เมาก่อนไปนอนทุกวันอยู่แล้วไม่ใช่คะเขาบอกว่าได้พี่ครั้นี้เขาก็ตัดสินใจเลยนะพี่จันเขาเนี่ยเอาประตูคือประตูมันล่อยแล้วมันจะพับแจ้งติดเองใช่ไหมครับมันเหมือนมีแบบเป็นสปริงไปอะไรเงี้ยออืเขาก็จะเอาลังเบียร์เนี่ยมากันประตูไว้ให้แสงจากห้องน้ํามันรอดเข้าไป คือ ป, ปกติมันก็มแสงรอดอยู่หน่อยนะพี่แต่นี่เขาต้องการอากาศห้องใหม่อืเาเลาต้องการแสงมากกว่าเดิมคือเปิดประตูค้างไว้แล้วรังเบียกันลักษณะการจากห้องเขาก็คือไปกวาเดเศษแก้วที่มันแตกออกไปข้างหนึ่งแล้วก็เอลาลังเบียแล้วนะครับมาทําเป็ น, ปน ล, ลักษณะรูปของเตียงแล้วข้ามาปูไว้ไม่ทําเป็นไม่ใช่ทําเป็นรูปของเตียงธรรมดายอย่างเดียวนะมีหัวเตียงด้วยคือมันเป็นขึ้นมาบังไว้เพื่อไม่ให้มองเห็นไปด้านในเพราะว่าเข้าไปข้างในจะมีประตูอีกชั้นนึงซึ่งมีกุญแจคล้องไว้เฉยแต่ไม่ได้ล็อ แล้วห้องเนี้ยพี่หัวเชิญเราบอกว่าอย่าแตะต้องห้ามยุ่กับห้องนี้เด็ดขาดเราปัญญ า, ากนันแล้วว่าเราจะไม่ยุ่งกับห้องนี้คุณจ<ถ>้าก็บอกได้ดล พ, พี่พี่ไม่ให้ยุ่งก็ไม่ยุ่งแล้วไอ้ลำพังเข้ามานอนนี่ผมยังเปึกขาพี่นะลเลยเขาบอกโอเคถ้าอย่งงางนั้นก็เราอยู่ส่วนวเราเขาอยู่ส่วนเขาแล้วเขาก็เอาลังเบียร์มาตั้งอนะ่ะทั้งเจ็ดแปดชั้นที่แจ้งตั้งเป็นกําแพงเลยบางข้างบางข้างที่นอนตัวเองนะอ่ะเพื่อไม่ให้เห็นอะไรฝั่งหนึง่งที่มันอยู่ตรงประตูห้องที่ว่าเป็นประตูห้องที่มันดําๆมืดๆจะเป็นทางลงไป ฉันไม่เคยใครลงไปหรอกจะลุกเป็นบันไดลงเขาพูดกันมาปากต่อปากแล้วก็าแจกของไหวทุกวันที่คุณซอบกับพี่คนที่ชื่อนมเนี่ยเข้าไปนอนนจะได้ยินเสียงเสียงหนึ่งซึ่งเื็นเสียงปริศนาแต่เราไม่กล้าลุกมาดูเพราะคุยกันไว้แล้วว่าจะไม่ลุกจะไม่ดูถ้าเกิดจะลุกครู้พร้อมกันแล้วจะไม่ไม่ไม่ทัก ไ, ไ, ไม่พูดอะไรทั้งนั้นเสียงปริศนาที่ว่าก็คือจะมีเสียงเหมือนคนเดินมาจาก บ, บันไดชั้นล่างในห้องประตูนั่นแหละอี่คือคือ คือแล้วก็แค่แล้วจะเดินเตะขวดแเหมือนคนเดินแล้วก็เอาเท้าเขียบเศษขวดแก้วตังกระดาษออืกึกกึกแกล้กแกล้แล้วก็เดินออกไปออืแล้วก็เปิดประตูห้องน้ำประตูนั้นเพื่อออกไปเข้าห้องน้ำเหมือนประมาณว่าอย่างนั้นแหละแล้วการเปิดประตูเนี่ยมันไม่ได้มีเสียงพี่แจคือเขานอนน่ะแล้วพอเขาเปิดประตูเหมือนเหมือนคนเปิดประตูเนี่ยแสงมันก็จะลอดเข้ามาแต่มี่เขานอนกัน เขาทั้งคู่รับรู้อย่างนี้มาตลอดเป็นเวลาร่องสองเดือนอืมโดยที่ไม่เคยไม่เคยรู้ไปชงโงกดูอกดูครับไม่เคยรู้ไปชงก๊กดูเลยนะเพราะเขาถือว่ากูเมากูนอนคิดแค่นี้น<ช>เขาคิดแค่นี้กันสองคนลูกมากูไปพร้อมกันนี่คือสิ่งที่เขานึมเสียงเป็นอย่างนี้มาตลอด ท, ท, ทั้งๆงที่เขาก็สงสัยคือคุณจ๊อบเขาสงสัยว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นคนจริงมันจะเดินขึ้นมาได้ไงวะเพราะถ้ามันเดินขึ้นมาเนี่ยกุญแจมันล็อกจากฝั่งข้างนอกฝั่งเนี้ยอืม เขาไม่ถามารถจะเปิดเข้ามาได้ครับแต่ในเมื่อเขาได้ยินว่าห้องนี้มีผีเขาก็เลยคิดว่าผีรู้แล้วก็จบแล้วก็ไม่ใจใจอืมทีนี้วันที่มันพีคมันมาถึงตรงที่ว่าเขานอนกมาโลกสองเดือนแล้วมันไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นควันนั้นเขานอนอยู่ดีเนะี่ยเขาก็เหมือนจะแบบคนเรามันเมื่อยมันนอนบนลังเบียร์ที่มีปวดเป่าหรืออะไรมันก็จะบูมบูมบอมบ์ ม, บบมาแล้วทีนะ่เอืะเขาก็ตะแคงใหม่ข้างหนึ่งเพื่อหารมหาพีคนนีชน้ชินนท์ แล้วธรรมชาเขาคือว่าแทงมาเสร็จ ก, ก็จะเอาเท้าเนไปแตะหน่อยว่าเอ้พี่ยังอยู่นะนี่รอบนี้พอเอาแทงมาแล้วเท้ายื่นไปไม่เจออะไรเลยว่าอืงเขาก็ลืมตามมองเฮ้ยเป็นรกทิ้งนี่ว่าอือาวไหนตกลงกันไว้แล้วไงแต่คือมันมันอยู่มาเป็นเดือนเดือนแล้วพี่จเขาเลยไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่าคําว่าพี่โกหก แต่ไอเรื่องผีเนี่ยเขาไม่คิดแล้วเพราะเขาได้ยินเสียงทุกวนันจนเขาบอกว่าเขาเขาสึกเหมือนชินแะ <c oughs> และอย่างไอเสียงที่มันเดินนะ่ยมันเดินอยู่อีกฝั่งนึงของรังเบียร์ที่เขาตั้งตั้งไว้เนี่ยเจ็ชั้นแล้วตั้งเป็นแผงเหมือนกําแพงเลยพี่แจ็คเขาจะไม่เห็นเลยเลยนะ <c oughs> ไม่เห็นเลยเลยทีนี้เขาก็ทำท่าเหมือนยันตัวจะลุกพอยันตัวจะลุกมาละกึกกึกกึกกอกกึกกึกกึกกึกกึกกึกกึกกึกกึกกึอกึกกึดกึกกึกกึกกึกกึกกึกกึกกึกกึกกึ คือคือหยุดชึ่งปกติจะต้องเดินไปที่หน้าประตูออืแต่วันเนี้ยเขาเดินมาแล้วหยุดอยู่ประมาณช่วงหัวนอนจะอยู่บนฝั่งของไอ้ลังเบี้ยนั่นแหะแล้วก็ทำท่ า, าเหมือนไม่ค่อยเตะเสกขวดแก้วเตะลังเบีย้ยแต่ทีนี้เปลี่ยนวิธีคือปงมาที่เตียงที่เขานอนครับเสียงวันนี้คือมันมันคนเรามันจะรู้ว่าเดินมาหาเราอ่ะเสียงประมาณอย่างนั้นแหละอือก็คือแค่ผมถามไปว่าเขาเดินรีบไหมหรือว่าเดินอะไรคุณจ็อบบอกเดินเหมือนคนปกติถ้าฟังจะลับเสียงการเดินนะ เหมือนคนค่อยๆเดินแล้วก็เขี่ยแบบชิวๆอ่ะเดินแล้วก็เขี่ยตะกล่องตะเศษขวดก็คือก็แกยกเดินมาออืเงียบพอเงียบเสร็จปุ๊บเขาค่อยๆหลีตามองตามองออืมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดประมาณว่าเหมือนชุดเดินทชายหาดเขาหลีตามองนะคือกล่าวว่าออกไม่ให้ทางฝั่งรู้รู้ว่าเธองมองอยู่อแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆหันแล้วมองเขาเขาบอกสวยแล้วพอมองแล้วเขาทำท่าเหมือนจะก้มหน้าลงมาหน่อยเนี่ย คุณจอมเขาเรู้ว่าเฮ้ยเขาเห็นไหมเรู้ว่าเรามองเขาเลยหลับตาสนิทเลยนะออืตาสนิทแต่นี้เสียงก็เดินแบบคลึกๆแล้วก็เดินเขียดกล่องเขี่ยเศษขวดเกาะดดกุกๆกะกักเดินผ่านหายไปอะไรเงี่ยเขาใช้เวลาอยู่ประมาณสิบนาทีคุณจอว่าน่าจะไปแล้วล่ะแต่เราก็นอนมาทั้งสองเดือนแล้วก็ไม่เคยเจออะไรเนาะก็ดีตามองก่อนในขั้นต้นพอไม่มีอะไรก็โอเคไม่มีอะไรก็ลืมแต่งตาล่ะเช็ดน้ำําท่าจะลุก หลายตัวหลายตัวนอนปกติเะี้ยยึดตัวเต็มทีจะลุกยังไงผู้หญิงคนนั้นก้มหน้าอยู่ข้างบนหัวนอนเขาออยคืมหน้าห่าจากเขาประมาณสองคืึคือพลิกมาแล้วก็เฮ้ยอะไรแล้วก็ลืมตาเฮ้ยกลัวว่ะเขาช็อกดูอย่างนั้นแหละผู้หญิงคนนั้นก้มลงมาแล้วค่อยค่อยยิ้มยิ้มกว้างขึ้นความคุณผมเลาตอนนี้ผมขนลุกยิ้มกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วคุณเจ้าก็ก้มหน้าตะแคงแล้วก็ หลับตาไว้ออืเสียงผู้หญิงคนนั้ น, ว, นวิ่งรอบเตียงที่เขาทากันผู้หญิงแล้วหัวล้อบแบบอยู่ไงแล้วรนะอบเตียงเขาก็บอกโอใจแทบขาดเลยอนอนแล้วไม่กล้ากระดุกกระดิกเลยออะือะพี่นพก็ไปไหนดา่นดาเนตด่าในใจสารภาพเลยว่าทําไมท่าย่างนี้ทํำไมถึงทิ้งกันนี้นทำไมถึงตุกันแต่ไม่กล้าลุกผู้หญิงคนนั้วหัวร้อไม่หยุดเขาบอกเป็นชั่วโมงได้เลยจนในที่สุดเสียงของน้าเขาที่เป็นคนฝ่ายเขาทางานที่นั่นมาเรียกท็อป ไม่ทํางานหรือไงอแต่ลาเขายังไม่กล้าเปิดคุณลาเขาก็รู้ดีว่าห้องนี้มีอะไรอืมจนเรียกนานที่ปกติแล้วคุณจำเขาก็ไม่กล้าตอบเนะขาก็คงจะแบบความเป็นห่วงหลานนห ล, ละก็เลยตัดสินใจเปิดเข้ามาดูแล้วแสงมันก็รอนเข้าไปตรงคุณชอบพนะอดีเนี่ยคุณชอบบอกว่าทันทีที่แสงออกจากประตูของร้านเขาเนี่ยเปิดเข้ามาออผู้หญิงคนนั้นเสียงหายไปออแล้วมีเสียงประตูไอตรงประตูที่มันเป็นประตูปิดจลาอยู่ประจำมัะมันปิดจังทันทีเลยอ เหมือนทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาแค่เดียว<ม>แล้วคุณจ๊อพยายามจะลุกขึ้นแต่ลุกไม่ได้นอนตายีอยู่งั้นแหละเหมือนคน<ม>เหมือนคนโดนผีอำมาสะดุกงรีบอะไรแต่รู้ตัวทุกอย่างจนนาเขาแบบเฮ้ยนี่เป็นอะไรวะจะเดินเข้ามาเสร็จแล้วเขามืออแสะที่เท้าเหมือนเล้มือแบบเขี่ยเท้าให้รู้ตัว คุณจอบบอกพอแค่แล้แตะแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละเขาเต้งได้เหมือนคนรู้จักพวังแหละรูกขึ้นขวาเลยแล้วก็วิ่งวิ่งสวนราเขาเออกไปข้างนอกไปหยุดที่หน้าร้านไปหยุดอยู่ตรงเครื่องนอกเลยอ่ะเปิดประตูับออกไปแล้วก็หยุดตรงฝั่งร้านขายของออืที่มันอยู่ข้างห้องร้าหญิงไปเจอพี่นกนั่งอยู่หน้าซิสทุกคนก็ถามเฮ้ย hey, จ๊อบเป็นไรวะพี่ตามมาว่าวหน้าตาตื่นมางั้นวะคุณจ๊อบพอเขาไปฝั่งแล้วเจอเนี้ แล้วเขาแบบเขากล่าวว่าวันนี้เดี๋ยวฆาพี่นพจน์เต็มที่เลยเราคุยจะร้อยว่ายังไงอะ่ะพอเขาเล่าจบเขาหันไปถึงเจลังจะไปต่อว่าพี่นอพพี่นพหั น, นมาบอกมึงเจอแค่นี้อ่ะออืมึงเจอแค่นี้ใช่ไหมครับนี่คือหนักที่สุดแล้วใช่ไหมแต่คุณชอบบอกจนกวันนี้พี่นกก็ยังไม่เล่าว่าเคยจออะไรออแต่ก็เฮยหรว่าเราจะฝากไปออืหลังจากนั้นเจนก็เริ่มสืบหาประวัติว่าร้านเนี้ยมันเคยมีอะไรมาก่อนค จะเริ่มถามจากคนภายในเด็กเก่าจนมีอยู่คนหนึงชื่อพี่ลายอืมพี่ลายอะไรจะเป็นคนเหมือนเป็นแบบคนถือของคนทางเขมรเนี่ยอยู่ดีแค่ก็พูดบอกมาคุยกับคุยคุยถูกคนแล้วออืรู้ว่าในร้านเรามีเยอะนะออืแล้วพี่ลายรู้ได้ไงว่าเยอะรู้ยังไงไม่ต้องสนใจรู้แต่ประวัติร้านเราเนี่ยเห็นไหมมันเป็นตึกของคูห้าแล้วก็เจาะทะลุฮัลโหลทำเป็นร้านเดียวกันเจ้าก็บอกใช่ใช่เออมองลักษณะหน้ามันเหมือนตึก สิบห้าคูหาแต่แต่ว่าร้านเนี้ยเขามาเื้อแค่สองคูหาแล้วเจาะคำแพงเนะี่ยทำเป็นร้านเดียวกันเลยครพี่รายเขาบอกว่าไอ้ฝั่งเนี้ยฝั่งที่มึงกับกูยินคุยกันอยู่เนี่ยมันเคยไฟไหมอืมแล้วมันเคยเป็นฟองเก่ามา ก, ก่อนอเคยเอาเคยมีประวัติว่าเอาผู้หญิงเนี้ยลงมามาขังมาอะไรไว้เนี้ยอืมส่วนไอ้ฝั่งเลยเนี้ยเขาก็อพยักหน้าไปทางฝั่งซึ่งเป็นร้านเดียวกันนะพี่แจ็แต่ว่าแค่มองออกว่าเป็นสองตึก อ, ะ<ถ>อ่ะไอ้ฝั่งโน้นแหละก็เป็น ที่ทําแทงเถื่อนมาก่อนออื <c oughs> แล้วมึงไม่สังเกตมั้งหรอว่าทำไมไอ้สามตึกที่อยู่ข้างๆมันเนี่ยไม่มีใครมาอยู่หรือมาเปิดทำอะไรเลยเลย <c oughs> พราะที่นี่มันเหี่ยงมาก <c oughs> คุณเจ๊อบเขาก็ยังไม่เชื่อเพราะเขาไม่เห็นไงร้านเขามันไม่มีสภาพอะไรที่มันจะเป็นสภาพว่าไฟไหม้มาก่อนเลยมันไม่มี <c oughs> ทนนีนี้วันที่เขาจะต้องรู้ความจริงว่ามันเกิดเป็นร้านเงี้ยขึ้นมา <c oughs> จริงก็เพราะว่าเจหน้าที่ เขาไปตรวจค้นสําหรับคนที่ไปอยู่ในพับแล้วอายุไม่ถึงแล้วคุณเจ้าเขาอายุไม่ถึงไงเขาเลยยังไม่ถึงอืเจ้าของร้านเขาก็ดึงมือให้ไปหลบแล้วเาไปหลบในห้องไหนดูไหมครับพี่แจ๊คไปหลบในห้องนั้าน่ะออืดันจับเข้าไปคือความรียบไงตำรวจมาเขากันคุณเจ้าเข้าไปคุณเจ้าบอกดันไม่พอนะล็อกกุญแจข้างนอกด้ยยงะฮะเจ้าก็เอาโอ้โหเอาไงวะเนี่ยคืูแต่ความกลัวความกลัวเพราะว่าตอนนั้นเขาอายุแค่สิบ สิบสี่สิบห้าเขาก็แบบว่ายังเด็กมากแต่ว่ากลัวกลัวว่าจะโดนตำรวจจับเรื่องที่ว่ามาทำงานกลางคืนแล้วอายุไม่ถึงเนี่ยเขาเลยตัดสินใจเนีเขาเห็นไฟมันจะมีไฟฉายอะไรเดินเขาเดินตรวจอย่างเงี้ยเดินแล้วก็มีเสียงเครืที่เดินคุยผ่านความอารามคนมันกลัวทุกท่านเขาเอาโทรศัพท์มือถือเขาที่มีเปิดไฟแล้วเดินลงไปในห้องนั้นเป็นครั้งแรกซึ่งในร้านไม่เคยมีใครทำมาก่อนเลยโอ้ยลงไปที่ประตูหนีธนั้วนะฮะใช่ครับเขาบอกโอ้โห ผมลงไปผมรู้แล้วว่าที่นี่มันเคยไฟไหม้จริงก็ทํามาทําไมอะมันเป็นค้าวไฟไหม้หมดเลยอ่ะคื อ, อดูรู้ข้างล่างอ่ะแล้วเขาก็เดินเราไปถ่าย่องไปเรื่รยอยข้างล่างมันทั้งแฉะมีทั้งหนูทั้งแมลงสาบอะไรไปให้ไมหมดเลยเดินเดินเดินแล้วเขพยายามปิดประตูแล้วพยายามหูแล้วก็ฟังไอ้เสียงข้างบนบรรไดว่าเฮ้ยเขาจะเปิดเข้ามาดูไหมวะเขาจะ้เจอเราไหมวะแล้วก็เอาไปถ่ายไล่ไปไล่ไปจนมาหยุดอยู่ที่หัวเขาพี่แจ็คมันเป็นเชือกอันนึงผูกอยู่ที่คื่อเหมือนโดนตับอ่ะออ เขบอกลักษณะมันดูก็รู้ว่ง เ, เช็คื่อที่มีคนผูกขัดขไทยโอน่ากลัวจังเลยวะ่ะอตรู้เลยอ่ะเขาก็เลยถอยหลังลงมาหน่อยแล้วถอยหลังลงมาเสร็จแล้วก็กวาดไปฉายไปทางซ้ายมื อ, อมพี่แจ๊คเขาเห็นฟูกอยู่อันหนึ่งไอ้ฟูกอยู่ประมาณเจ็ดปดอันมันวางตอนตอนกัน่ะอือเป็นฟูกที่สกรปรกมีทั้งคาบอะไรดูแล้วเหมือนจะเป็นคาบเลือดคาบอะไรพวกเนี้ยแพงเลยอ่ะอเรียงไว้อ่ะ แล้วก็มีรอยโซ่มีรอยะเขารู้เลยว่าสิ่งที่พี่คนชื่อลายเนี่ยเราให้ฟังว่าที่นี่เคยเป็นซ้องเก่าแล้วไฟมันไหม้แล้วมันไหม้พวกผู้หญิงเขมาขังไว้แล้วโต้มาถ่ายหมดเลยอมันเป็นเรื่องจริงแล้วเขารู้เลยนะรู้ทันทีเลยเลยตัดสินใจเดินเดินย้อนขึ้นมาเราต้องมานั่งพิงประตูนั่นแหละเสียงมันมีคนคนเดินเข้ามาคือเขานี้ก็ออกมาจากไอประตูห้องนนั้แล้วหละอแล้วมาพิงประตูข้างนอกแล้วเพื่อที่จะออกแต่ยังไม่มีใครมาเปิดประตูให้ไงพี่ ยัล็อกบอนอยู่ครับครับคือคือขึ้นมาเบอกโอ้โหใจจะขาดมากเลยมันคือรู้แล้วแหละว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นมาหาเราแล้วใครก็ไม่รู้ตรงนั้นแหละจะเป็นผู้หญิงคนเดิมหรือว่าแต่พอดีเจ้าของร้านมาเพิ่ให้ก่อนโอ้ยผมก็ใจจะขาดเมื่อกี้เออโอ้ใจขาดผมฟัขาบกครับผมเป็นคุณเขาอคใจขาดนะโอ้ใจจะขาดจริงๆเมื่อกี้ผมจะขึ้นมาอีกนะใช่แล้วมันก็เสียงเดินมันได้แบบช้าตึ๊กตึ๊ก และเขาก็นั่งมองอยู่เหมนกันนะพี่แจ็คในภาพเด็กอายุยังไม่ถึงสิบห้าตั้งมองพร้อมกับไฟโทรศัพท์มือถืออันหนึ่งอ่ะแล้วหลังก็ยิงประตูอยู่แล้วแบบนะมันกำลังมาแล้วอ่ะไอ้ข้างนอกก็ไม่เปิดทันทีจะเคาะก็ไม่กล้าไงเพราะตัวเองอายุไม่ถึงแล้วมาทํางานในภาพกลัวจะมีปัญหาไงออืไม่กล้าทําอะไรทั้งนั้นไอ้ข้างหน้าก็น่ากลัวข้างนอกก็น่ากลัวอย่างเงี้ยจนในที่สุดเขามาเปิดเปิดให้ออื พอเาเปิดให้เสร็จก็เลยไปคุย uh กับพี่ลายคนนี้พี่ลายเขาบอกว่าอันนี้ต้องขออนุญาตเลยนะครับเราและต้องเอ่ยชื่อเขาต้องขออนุญาตต่อจงกุญญาณด้วยพี่ลายคนเนี้ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายเรื่องสําหรับตึกตรงเนี้ยก่อนที่มัเป็นร้านเนี่ยเพราะมันเคยแบ่งให้มีผู้หญิงคนหนึ่งอะเช่าอยู่ออืแล้วผู้หญิงคนนี้ใคยๆเขาน้อยใจอะไรไม่รู้เขาผู้ขอตายออซึ่งมันก็ตรงกับเชื่อกที่ครณจัไปเห็นโอเขาชื่อว่า อ่าคุณคิงคุณคิงเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงคุณคิงหายเปล่าลอ่าเสียงคุณคิงหายฮะเสียงคุณคิงดับลงไปเลยอ่ะฮัลโหลอ่าโอเคมาแล้วมาแล้วคุณคิงครับผมฮะฮะ<ม>แต่ผมได้ยเสียงพีแจ็คหมดแล้วเมื่อกี้แต่เมื่อกี้เสียงคุณคิงแบบมันมันดับไปบางๆเลยครับเหมือนเหมือนเสียงไปพูดตะโกนไกลๆตรงนู้นเลยอ่ะอุ้ยอ้โหจะน่ากลัวละเพราะว่าเมื่อกี้ ตเพราะว่าตอนที่ผมฟังคุณจัอบก็เป็นเหมือนอย่างนี้เลยพี่จ๊คแล้วคือคุณจ๊อบเขาไปนอนแล้วก็ฝันออืฝันแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกว่าช่วยตามความเอช่วยเรียบร้องความวยุติทําให้ฉันด้วยออืฉันถูกฆ่าฉันชื่อละ อ, อ้อโอ้โหชื่อละออด้วยเขาต้อเงียบเอาไวนะ้แลือเขามาถามพี่คนชื่อไลท์ครั้งว่าพี่บอกได้ไหมว่าคนตายชื่ออะไรออพี่คนชื่อไลท์ก็ถามมึงรู้ได้ไงว่าเขาชื่ออะไรออืงั้นผมจะขอฟังพี่ก่อนว่าตรงไม่ตรงออื คนชี้รายเขาก็พม่คิดอะไรเพราะเขาอยู่ในร้านนั้นอยู่แล้ว <Ừ. S 2> เขาบอกว่าชิลล์อบิ๊กแอคคิดว่าคุณตอกเจออะไรโอ้โอ้แล้วสิ่งที่คุณเจ๊อกเขาคิดก็คือคนชิลลอเนี่ยน่าจะไม่ได้ฆ่าตัวตายน่าจะโดนคนอืน่นกระทำโอ้ดูดิทั้งตัวเลยผมตัวเนี้โอ้น่ากลัวจังเลยแล้วก็จัดฉากาอืออ๋อจัดฉากาให้เป็นการฆ่าตัวตาย S <S ใช่ครับร้านนี้<ถ><ถ>จะคืออยู่มาเนี่ยก็จะมีเด็กในร้านเจอแล้วบางทีเนี่ยค<ม>ือร้านกำลังยังไม่เปิดมันเปิดสองทุ่แต่ช่วงทุ่มกว่าเนี่ยเขาก็จะเปิดประตูไว้ให้เด็กในร้านเนี่ยบางที่เดินออกไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยจะมีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวแบบชุดอย่างเนี้ยชูขาวเมืนชุดไปเจี่ ท, ทะเลเนี่ยเดินหายเข้าไปในร้านเด็กในร้านก็จะาำคุณค้ายังไม่เปิดนะคะเดินตามเข้าไปปุ๊บหายเข้าไปลงบันไดนั่นแหละอืมนี่คือสิ่งที่เด็กร้านเจออยู่ประจําจนเขาไม่กล้าทําอะไรกันเลย จนตอนหลังมาเขาอนุญาตให้ไป น, นอนตรงห้องห้องอ่าห้องเก็บเหล้าซึ่งเป็น퀄ิตี่เก็บเก็บขวดออนุญาตไปนอนตรง น, นั้นก็เจอผู้อยู่คนนั้นมายืนเมาจนพูดง่ายว่าเด็กในร้านเจอทุกคนนะพี่จันถ้าใครเคยไปทเที่ยวแถวนั้นนะฮะจะจะรู้สําหรั บ, ร บ, ร บ, ร บ, รบลักษณะร้านที่ผมบอกไปโอ้ยเพื่อนก็มีประมาณนี้ครับพี่จัโอ้ไม่ประมาณนี้นะ ค, คุณคิงครับผมผมยังไม่ขายคนหัวหลุกนะน่า ก, กลัวจังเลย <c oughs> อ่ะหัน่า ก, กลัวเอาจิงจริงโคตรน่า ก, กลัวเลยเรื่องเนี้ย ก็ผมชอบผมชอบมากเลยเรื่องนี้ยผมังบุญรผมชอบมากเลยโอ้โหเดี๋ยวนะหมายถึงว่าผับนี้ทุกวันนี้คือปิดตัวลงไปแล้วปิดไปแล้วครับปิดไปแล้วในที่นี้เนี่ยแค่ปิดเฉยๆแต่ตึกเนี่ยยังอยู่นะถูกไหมฮะยังอยู่ครับตึกยังอยู่นะตึกนี้ยังไงต้องยังอยู่แล้วก็สภาพข้างในเนี่ยอ่ะโอเคอาจจะมีการหรือถอนไปบ้างบางส่วนแต่ในส่วนของที่มันโดนไฟไหม้ข้างในตรงนั้นนะผมว่ามันก็ยังอยู่อ่ะไม่มีใครลงไปยื่อหรอกถูกปะ ครับใช่ฮะอ้โหผับบ้าอะไรวัเนี้ <c oughs> แต่ตุ๊กจะไปเดทร้านเจอครับเห็นผมถามคุณจอมว่าแล้วมีแขกมาทเที่ยวแล้วเจอบ<อ>้าไหมเขาบอกไม่มีมีแต่เจทกับร้านเนี่ยเจออย่างนี้แหละที่คุยกันปากต่อปากแล้ว<อ>แต่ถามว่าถ้าแขกจะไปเข้าห้องน้ำแล้วเจอไหมเนี่ยก็ยังไม่เคยมีพูดอาจจะมีเจอแต่ไม่เคยมีพูดเลยอีกอืมอืมโ อ, มอ้ฟังแล้วเมื่อกี้แบบโอ้ยเรื่องนี้ผมให้เป็นอีกเรื่องที่ต้องบันทึกไว้เลยนะ คือน่กลัวจริงน่ากลัวแบบทำเอาผมขน ล, ลุกแบบทั้งตัวเมื่อกี้นั่งแล้วหลอนน่ะอีพิบัติก็ขยับกู้อง์กูอีเดิงกข้อีอะไรก็ไม่รู้แล้วเสี ย, ยอะไรกาไม่ผมเนี่ยผ ม, มผมนึกภาพว่าถ้าผมเป็นคุณจอบนะเวลานั้นอายุแค่สิสี่ยังไม่เต็มสิห้าใช่แล้วไอตอนที่ไปเจอคนเดียวนั่นแหละก็ยังโอเคนะแต่ไอตอนที่เขาผักใสเข้าไปอยู่ในห้องน่ะ แล้วตังก็ลงไปเดินความที่ว่ากลัวตำรวจเนี่ยลงไปเดินจงแบบไม่ไหวแล้วอ่ะมันเห็นทุกอย่างชัเดเจนว่ามันจริงฮนะเป็นซ่องมีโซ่มีเชือกผูกปะตายแล้วเดินย้อนขึ้นมาแล้วประตูไม่เปิดแล้วมันมีเสียงเดินตามบันไดขึ้นมาคือเขารู้ตัวว่าเขาอยู่คนเดียวในนั้นอนะืมอืมอันนั้นระบีหัวใจมากผมนั่งฟังผมยังเก<ช>่งท<ๆ>ี่ตอนของฟังคุณจอมอนะไรตอนฉากสุดท้ายตอนที่โดนจับยัดเข้าไปในห้องนั้นอ่ะโอ้โหมันดหัวใจมากนะคือจังหวะแบบว่าไม่ปิดประตูแล้วกำลังจะเดิน ออกมาแล้วอ่ะแล้วมันมีเสียงตามขึ้นมาแบบโอ้โหถ้าเจ้าของร้านหรือว่าพี่คนนั้นไม่เปิดประตูเข้ามาเนี่ยโอ้โหผู้สังไม่รู้เลยว่าจะเจออะไรฉัาเปิดประตูมาไม่ทันแล้วคนที่เดินขึ้นมาเป็นคนเดิมแล้วมาดีก็ดีไปแต่ถ้ามาแล้วไม่ดีอะหรือถึงมาดีแต่เรารู้แล้วว่าไม่ใช่คนเนี่ยเราจะทําใจยังไงกับเด็กอายุแค่นั้นถ้าเป็นเราถูกมาไม่เท่าไหร่หรอกมาแล้วมาวิ่งรอบตัวมาหวนล้ออีกเหมือนเดิมอ๋อใช่เขาทำเสียงห้ผมฟังเขาบอกหัวร้อเหมือนม้าอเลยอ่ะคือไม่เหลือสภาพ สวยเลยอะ่ะแจ็คเขาบอกว่าหัวลอ้อแบบเหมือนคนแบบเหมือนเด็กเล่นแหละสนุกชอบใจเอย่างลรหัวล้อแล้ววิ่งรอบๆ บ, บเตีงตัวเองที่เขาทำกันไว้คะับเตียงเขาทำไว้อ่ะอืมโอ้ยน่ากลัว <c oughs> นะกลัวน่ากลัวจริงๆริ <c oughs> โอเรื่องนี้คือบอกว่าใครนั่งฟังเรื่องนี้คนเดียวได้โดยที่ปิดไฟฟังคนเดียวจริงๆรนะผมว่าคนนั้นใจแข็งมากอ่ะโอ้โหผมฟังนั่งอยู่กันเนี่ยไอ้จะวี่นอนอยู่ตรงนี้ ที่บัตรอยู่ข้างๆนั่งหลับนะครับผมยังแบบต้องมองหาเพื่อเลยเฮ้ยอย่างน้อยซ้ายยังมีอุ่นใจขวาเนี่ยังเออ ย, ยังมันมันยังเป็นกระจกแต่มันทึบเไงโอ้โหน่กกากลัวน่กกวากลัวน่กกวานกลัวมากคุณคิงสําหรับผมผมชอบ<น>ผมผมผมีความ้สว่าผมกลัวไอ้ตรงที่ว่ามีคนเดินตามขึ้นมาตอนที่อยู่ห้องคนเดียวที่คนจับยัดเข้าไปแต่สําหรับคุณจอว่าเขาบอกว่าเขาติดตามคือตอนนี้เขาสแกงมาแล้วมาเจออยู่บนบนนอนตัวเองนั่นก็น่ากลัวคือคิด่าเขาไแล้วแม่าไม่คิดแล้ว่เน้อไปแล้วนื้อก็ไม่มีอะไรแล้วครับ ครับโอ้คุณคิงนี่ยังคงครองเป็นอันดับหนึ่งผมยังให้เแวนอันดับหนึ่งในการถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญอยู่โหคนหัวลูกไม่หยุดเลยผมเนี่ยเออขอพระคุณลงมากครับครับขอพระคุณเช่นเดียวกันครับคุณคิงมาแล้ะก็อขอใครด้วพยพี่แจอาทิตย์นี้ผมขอใครจริงไม่เป็นไรคุณคิงนะครับถือว่าโอ้โหอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มาอาทิตย์นี้เล่นมาแบบอภิมหาผีเลยอะ่ะ โอ้ต้องบอกว่าขอคุณโหดจัดรัทเสียมากเรื่องนี้นะครับเรื่องของผับนี้มีอดีตนะฮะโอ้โหนะครับคุณคิงไงขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็แล้วถามสุขภาพด้วยนะพี่แล้วเช่นเดียวกันลังแมวผมรอดูอยู่นะพี่เช่นเดียวกันผมปล่อยตัวอย่างไปละก็ไปดูตัวอย่างก่อนนะครับวันที่สามนี่คงจะได้ดูกันแล้วก็มีเรื่องของคุณคิงแน่นอนมีเรื่องของพ้าแมวแน่นอนของคุณหมีก็มีอ่า ถ้าถ้ายังไงมีโอกาสสักวันหนึ่งผมจะขอยกเรื่องก็เคยเคยเคยเล่าไว้ที่อื่นก็คือเรื่องของบัตีผมอยากให้ไปแจกคฟังผื่อแจ็คจะไปทาพวกเนี้เพราะเรื่องที่คนก็ค่อนข้างชอบกันเหมือนกันได้ครับได้ครับยินดีฮะคุณคิงสะดวกเมื่อไหร่เมื่อ น, นั้นนะคุณคิงเอาเรื่องอะไรมาผมฟังหมดแหละผมชอบ <c oughs> <c oughs> ครเออผมว่า ค, คุณผู้ฟังก็ชอบเหมือนกันเนากะยังไงขอบคุณครั บ, บ, ค, ค, รบคุณคิงยังไงและสาสุขภาพเหมือนกันนะ ครับรัถือาแล้วครับพี่แจครับขอบพระคุณครับดีครับ